รถไฟเสียเวลาที่สถานีต้นทางไป20สบนาทีจึงมาถึงสถานีขยาเมื่อเวลา5นาฬิกานาทีพระเจริญสำรวจตรวจตราคณะผู้สแสวงบุญเพื่อให้แน่ใจว่าลงมากันครบทุกคนทั้งนี้เพราะท่านไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วที่หลวงตารูปหนึ่งลงไม่ทันเพราะไปเข้าห้องน้ำอยู่ เมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีจึงไม่กล้าลงท่านต้องวิ่งขึ้นรถไฟตามไปทิ้งคณะผู้สแสวงบุญไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำทัวจัดการพาไปวัดไทยพุทธคยาเนื่องจากคันที่ท่านวิ่งขึ้นเป็นคนละคันกับที่หลวงตาลงไม่ทันและไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้จึงต้องนั่งไปจนถึงสถานีปลายทางซึ่งเป็นเวลาเที่ยงเศษ ่ว่าท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าใดนักเพราะสามารถซื้อโรตีและชามาฉันประทังความหิวได้ลงจากรถแล้วท่านจึงเดินหาหลวงตาหากก็หาไม่พบจึงสอบถามพนักงานรถไฟและเกิดการค้นหากันขึ้นในที่สุดก็พบหลวงตานั่งหลับจับไข่ยอยู่ในรถเพียงรูปเดียวด้วยว่าผู้โดยสารคนอื่นๆลงกันหมดแล้ว ที่หลวงตาถึงกับอาพาธเพราะทั้งหนาวทั้งหิวไม่ได้ฉันอาหารถึงสองมือ้อซึ่งถ้าเป็นคาราชัดก็เท่ากับอดอาหารติดกันถึงสามมือ้อท่านจึงหมดเรี่ยวแรงนั่งหลับอยู่แต่ผู้เดียวกว่าจะหอบหิ้วหลวงตากลับมาวัดไทยพุทธคยาได้พระมคุฏเทศก็แทบจะอาพาธตามไปด้วยอีกรูปหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านจะต้องจดจาไปอีกนาน อากาศยามใกล้รุ่งช่างหนาวเหน็บเพราะเป็นฤดูหนาวญาติโยมที่มามีชุดกันหนาวกันทุกคนแต่พระภิกษุไม่มีชุดอย่างนั้นเนื่องจากพระวินัยบัญญัติให้ภิกษุมีผ้าเพียงสามผืนที่เรียกว่าไตรจีวรดังนั้นไม่ว่าอากาศจะหนาวหรือร้อนสักเพียงใดภิกษุก็ต้องอยู่ด้วยผ้าสามผืนนี้จะมากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้สมภารวัดป่ามะม่วง บรรเทาความหนาวเหน็บด้วยการเจริญเตโชกสินโดยกําหนดนึกเอาไฟธาตุในร่างกายเป็นอารมณ์แต่เมื่อเห็นบรรดาญาจกเข็นใจซึ่งนอนขดเรียงรายกันอยู่ที่สถานีรถไฟท่านก็เลิกเจริญเตโชกสินเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้แล้วท่านก็โชคดีกว่าพวกเขาหลายเท่าโชคดีที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนไทยไม่เคยขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่แต่ดูคนเหล่านี้แล้วท่านรู้สึกสะเทือนใจจนต้องกำหนดสงสารหนอพวกเขานอนกลางดินกินกลางทรายไร้ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าหรือก็มีพอปกปิดร่างกายมิให้แลดูอุจารแต่ป้องกันความหนาวเหน็บไม่ได้ช่าง น, น่าเวทนานัก เสียงพระมคุเทศเตือนด้วยความเป็นห่วงว่ายอดโยมเดินระวังระวังหน่อยนะอย่าไปเหยียบหัวแขกเข้าละ่ะบ้านเราไม่มีให้เห็นนะแบบเนี้ยนอกจากคนซึ่งนอนเกะ ก, กะขวางทางเดินแล้วก็ยังมีวัวตัวใหญ่น้อยนอนปะปนอยู่กับคนท่านพระครูเหลือบไปเห็นชายชารานอนงายดวงตาเลื่อนลอยผิดไปจากคนอื่น ซึ่งนอนตะแคงขดตัวเพราะความหนาวที่หน้าผากของชายชรามีเลือดค้นๆไหลเป็นทางลงมาถึงปลายคางท่านอยากทราบสาเหตุที่เขาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นจึงใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอรายงานว่าเมื่อตอนตีสี่ขณะที่เขากำลังนอนขดตัวหลับอยู่นั้นได้มีลูกโคตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาไม่เห็นแม่โค จึงเดินตามหาและได้เหยียบถูกหน้าผากเขาเป็นแผลลึกแม้จะรู้สึกเจ็บและทรมานเขาก็ไม่โกรธลูกโคตัวนั้นเพราะในความนึกคิดของคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือาศาสนาฮินดูและถือว่าโคก็คือพระเจ้าซึ่งเขาเรียกว่าพระควันเขากำลังนอนคิดถึงพระควันและกำลังจะตามไปอยู่ด้วยอ น, นิจจาเขาไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เขาเชื่อและปฏิบัติมาจนตลอดชีวิตนั้นมิได้มีความจริงรองรับเขากำลังจะตายในอีกสามชั่วโมงข้างหน้าและไม่ได้ไปอยู่กับพระควันเหมือนที่คิดเพราะผู้ที่มีความเห็นผิดไม่อาจไปเกิดในสุขติภูมิได้ดังปรากฏหลักฐานในวัชชะโคตสูตรที่วัชชะโคตะปริภาชกทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ผู้ที่นับถือลัทธิเดียรถธีนั้นสามารถเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้ก็ยังไม่ทรงพบเห็นหรือทราบว่าคนเหล่านั้นจะเข้าถึงสวรรค์ได้น่าสงสารคนอินเดียที่เกิดในแดนพุทธภูมิแต่กลับไม่ได้นําของดีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตท่านพระครูอยากช่วยชายชารา หากก็รู้ว่าไม่สามารถจะช่วยเขาได้ชายชราผู้นี้เป็นมิจฉาทิฐิมาทั้งชีวิตท่านไม่อาจเปลี่ยนเขาให้เป็นสัมมาทิฐิได้เลยและหากท่านจะให้เงินเขาสักร้อยรูปีก็จะถูกคนที่แข็งแรงกว่ามาแย่งเอาไปด้วยว่าเขาไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะป้องกันเงินนั้นไว้เป็นของตนได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงต้องวางอุเบกขา และคิดในใจว่ากรรมุณาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอเมื่อลงจากรถและตรวจตราสิ่งของสัมภาระกันครบถ้วนแล้วผู้นำทัวร์จึงว่าจ้างกุลีให้ขนสัมภาระไปยังรถบัสซึ่งจอดรออยู่รถคันนี้มาจากพาราณสีเพราะพุทธคยาเป็นเมืองเล็กยังไม่มีนักธุรกิจ มาลงทุนด้านนี้พระเจริญซื้อไม้สีฟันแจกคณะผู้สแสวงบุญคนละอันเป็นไม้เล็กขนาดเท่านี้ก้อยยาวประมาณหนึ่งคืบขึ้นนั่งในรถบัสเรียบร้อยกันแล้วท่านจึงอธิบายว่าที่อัตมาแจกให้คือแปลงสีฟันแขกทำจากไม้สตดาวคือเอากิ่งสตดาวมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นำมาขายอันละยี่สเปซ่า คือยี่สบสตางค์ไม้สีฟันนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าเวลาเช้าพระอานน์จะตัดเตรียมไม้สีฟันไว้ถวายพระพุทธเจ้าวิธีสีฟันก็คือให้เคี้ยวปลายด้านหนึ่งด้านใดให้แหลกเคี้ยวไปเคี้ยวมาฟันก็จะสะอาดไปเองลองทำดูท่านพระครูทำดังที่พระมคุเทศแนะนา เมื่อเคี้ยวไม้สเสดาก็ได้สัมผัสกับรสขมที่ท่านเคยชินเพราะดื่มน้ำชาทำจากต้นลูกใต้ใบเป็นประจำรสขมจากสเสดายังน้อยกว่าความขมของลูกใต้ใบเป็นไหนไหนโอ้ขมจังเลยค่ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านทนได้โยมอายุน้อยที่สุดอดครวญพระมกคุเทศจึงอธิบายว่า เพราะพระองค์ไม่ทรงติดในรถเหมือนปุถุชนคนทั่วไปญาติโยมอย่าลืมว่าการที่เราจะได้พบสิ่งดีงามในชีวิตจะต้องแลกด้วยความยากลำบากพูดง่ายๆก็คือต้องเอาความทุกข์เข้าแลกถ้าพระองค์ทรงติดอยู่ในความสุขก็จะไม่สามารถตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ที่ทรงสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้กับโลกเพราะทรงทนต่อความยากลาบากได้เพราะฉะนั้น ถ้าใครทนความขมของไม้เสดาได้เท่ากับได้สร้างขันติบารมีเรามาสแสวงบุญครั้งนี้ก็เพื่อมาสร้างบารมีท่านพระครูรู้สึกว่าพระมักคุเทศอ้างเหตุผลไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าใดนักหากก็พอฟังได้คำอธิบายของพระเจริญทำให้พระและเคริอหัดตั้งหน้าตั้งตาสีฟันด้วยการเคี้ยวไม้เสดา จนน้ำลายเต็มปากพูดไม่ได้มีแต่พระมักคุเทศเท่านั้นที่ไม่ได้เคี้ยวไม้สีฟันเพราะท่านต้องทำหน้าที่บรรยายและท่านก็บรรยายมาตลอดทางกระทั่งรถบสัสแล่นมาจอดที่หน้าประตูทางเข้าด้านทิ่ใต้ของวัดไทยพุทธคยาซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโบสถ์ทรงไทยที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางซ้ายมือของประตู ทำให้คณะผู้สแสวงบุญจิตใจชุ่มชื่นขึ้นต่างพากันยกมือไหว้หากก็ไม่อาจเปร่งเสียงสาธุออกมาเพราะน้ำลายเต็มปากแขกตัว ผ, มผอมๆอายุราว20สเดินแกมวิ่งมาเปิดประตูเหล็กซึ่งกว่าจะเปิดได้ก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีเพราะต้องไขกุญแจทีละลูกประตูถูกคล้องด้วยโซ่ขนาดใหญ่และใส่กุญแจลูกใหญ่ไวถึงสมลูก เมื่อประตูเปิดโชเฟอร์จึงนำรถบัสเข้ามาจอดตรงหน้ามุก ข, ของอาคารชั้นเดียวที่สร้างด้วยคอนกรีตพระเจริญบอกให้ทุกคนลงจากรถเพื่อเตรียมตัวเข้าที่พักสิ่งแรกที่ทั้งพระและเครือข่ธรรมเมื่อลงจากรถคือเดินไปบ้วนน้ำไหลลงพื้นดินบ้วนแล้วรู้สึกว่าปากและฟันสะอาดขึ้น พระมหาฉลองรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาออกมาต้อนรับคณะผู้สแสวงบุญและพาไปกราบท่านเจ้าคุณบุญเลิศซึ่งเป็นเจ้าอาวาสทักทายประัยกันพอหอมปากหอมคอแล้วท่านเจ้าคุณก็บอกให้ทุกคนไปเข้าที่พักแขกชายหญิงสีห้าคนมาช่วยกันขนกระเป๋าเดินทางไปส่งตามห้องแม่ครัวให้เด็กหนุ่มสามคนที่มากับรถช่วยขนอาหารแห้ง ที่นำมาจากเมืองไทยไปเก็บไว้ในห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารจากนั้นจึงเข้าครัวไปทำอาหารเลี้ยงคณะผู้สแสวงบุญโดยมีผู้นำทัวร์และแม่ชีสองคนช่วยทำส่วนคนขับรถทำอาหารเองโดยใช้เตาน้ามันกา๊าซที่นำติดตัวมาระหว่างที่รอแม่ครัวทําอาหารคณะผู้สแสวงบุญซึ่งได้ห้องพักกันครบทุกคนแล้ว ก็พากันอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าคนที่ทนหนาวไม่ได้ก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ามาเช็ดหน้าตาเนื้อตัวให้สะอาดสะอ้านขึ้นส่วนคนที่เหนื่อยมากๆก็ถือโอกาสงีบเอาแรงไว้ก่อนท่านพระครูได้พักห้องเดียวกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองส่งน้ำก่อนแต่ภิกษุวัยหสเศษขออนุญาตงีบเอาแรง สักยี่สิบนาทีท่านจึงต้องสงก่อนสิบห้านาทีผ่านไปท่านก็นุ่งห่มอย่างเรียบร้อยจึงเปิดประตูออกไปเดินสำรวจวัดเห็นพระมหาฉลองยืนคุยกับพระมาคุเทศอยู่กลางสนามหญ้าจึงเดินไปร่วมวงด้วยหลวงพ่อ น, นิมนต์ทางนี้ครับพระเจริญ น, นิมนต์เมื่อเห็นท่านเดินตรงมาโยมเสงอาบน้ำเสร็จ เห็นท่านพระครูเดินตรงไปยังสนามหญ้าจึงเดินตามหลังท่านไปกำลังคุยอะไรกันอยู่ผมมาขัดจังหวะหรือเปล่าท่านพระครูถามด้วยเกรงจะเสียมารยาทกำลังวิจารณ์เจ้าทุกโขกันอยู่ครับอยากรู้ว่ามันทํากรรมอะไรไว้ถึงได้เป็นอย่างนี้พระมหาเลองพูด พลางชี้ไปที่หนุ่มแขกซึ่งนั่งตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆห่างออกไปอีกประมาณห้าเมตรแขกอีกคนก็กำลังตัดหญ้าอยู่เช่นกันท่านพระครูมองตามก็เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทยหนุ่มแขกที่กำลังนั่งตัดหญ้าอยู่นั้นข้างหน้าของเขามีก้อนอิดสองก้อนวางซ้อนกันอยู่ขณะตัดหญ้าเขาพาดลูกอันทะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ผิดปกติไว้บนก้อนอิดเมื่อตัดย้าที่อยู่ตรงหน้าเสร็จก็จะขยับก้อนอิดไปข้างหน้าแล้วขยับตัวตามดูทุลักทุเลท่านพระครูรู้สึกสงสารจนต้องกำหนดสงสารหนอในใจแล้วคนโน้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าท่านหมายถึงแขกอีกคนที่กำลังตัดย้าอยู่ ไม่เป็นครับเจมอนันชื่อการูเป็นพ่อของเจ้าทุกโ ข, ขรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างแขกทั้งสองชื่อไม่เป็นมงคลทั้งพ่อทั้งลูกเลยทำไมท่านไม่ตั้งชื่อให้เขาใหม่ละครับโยมเสงถามอจตมาก็อยากจะตั้งเหมือนกันแต่เจ้าตัวไม่ยอมเขาว่าพระเป็นเจ้า ท่านหีมาอย่างนี้จะเปลี่ยนไม่ได้พระเจริญพูดขึ้นว่าสำหรับผมผมไม่ติดใจเรื่องชื่อแต่มันติดใจสงสัยว่าทำไมเจ้าทุกโขมันถึงมีใหญ่โตขนาดนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกโขอของเองมันหนักมากนักหรือถึงต้องใช้ก้อนอิดมารองไว้ท่านถามหนุ่มแขกด้วยภาษาไทยหนุ่มแขกตอบว่า พันเตไม่เป็นอย่างผมบ้างก็แล้วไปแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนหนุ่มแขกนามวัตุโขอตอบด้วยภาษาไทยเขาติดสอยห้อยตามบิดามารับจ้างทำงานในวัดนี้ตั้งแต่อายุแปดขวบจึงพูดภาษาไทยได้ดีพอที่จะสื่อสารกับคนไทยได้อ่อพูดไทยได้ด้วยแล้วพ่อเขาพูดไทยได้หรือเปล่าครับ โยมเสียงถามพระมหาฉลองได้นิดหน่อยเจ้าไการูมาทำงานที่นี่ตอนโตแล้วแต่เจ้าทุกโขมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เด็กเขาจําเก่งและเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่อาตมาเห็นเจ้าทุกโขมาสิ ป, ปีแล้วตอนนี้เองก็อายุ18แปแล้วสินะทุกโขเพราะข้าเห็นมาตั้งแต่เองแ8ดขวบครับพันเต นุ่มแขกวัยสิบแปดตอบอายุสิบแปดเองเหรอผมนึกว่าสักยี่สิบห้ายี่สิบหกโยมสิงไม่อยากจะเชื่อเพราะหลานชายคนโตของเขาก็อายุสิบแปดแต่ดูเด็กกว่านายทุกโขหลายปีพระมหาฉลองจึงพูดจากประสบการณ์ที่อยู่ประเทศนี้มาสิบปีเศษว่า คนแขกโตเร็วแก่เร็วกว่าคนไทยเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยความทรหดอดทนต้องต่อสู้กับความร้อนหนาวของดินฟ้าอากาศหน้าหนาวก็นหนาวจัดจนคนตายหน้าร้อนก็ร้อนจัดจนควายตายส่วนคนก็กลายเป็นบ้าแต่ก็บ้าไม่นานพอหมดหน้าร้อนก็หายบ้าหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงๆนะโยมที่เราพูดกันว่าร้อนเป็นบ้านะี่ย อาตมาเพิ่งได้ประจักในเมืองแขกนี่แหละที่นี่ร้อนจนควายตายเลยหรือครับท่านพระครูถามขึ้นครับหลวงพ่อไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่มีในบ้านเราควายเมืองนี้น่าสงสารมากเพอถึงหน้าร้อนก็ล้มตายกันปีละหลายร้อยตัวหน้าตามันก็ไม่สวยเหมือนควายบ้านเรา เขาของมันจะงีกงีงองอไม่ยาวงโงงงามเหมือนเขาควายบ้านเราส่วนควายทางเหนือเราเรียกว่าควายหิมะรูปร่างจะดูดีกว่าควายทางเมืองร้อนขนของมันจะยาวและเส้นละเอียดมันจะหวงขนของมันมากที่เราพูดกันว่าจำมะรีหวงขนจำมะรีก็คือควายหิมะนี่แหละครับพระมหาฉลองอธิบาย โยมเซิงจึงพูดขึ้นว่าอย่างนั้นหรือครับเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมคือผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าจามารีคือควายหิมะคิดว่าจามารีเป็นสัตว์ที่สวยงามมีขนสวยเหมือนขนนกยูงอะไรทานองนี้สงสัยโยมคงคิดว่าเป็นกินนารีกันมังกินนารีที่เป็นสัตว์หิมพานครึ่งคนครึ่งนก ท่านพระครูลงความเห็นสัตว์อินมพานมีจริงหรือครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมาซสอกีกโยมเสงงพูดด้วยความประหลาดใจตอนอจตมาเป็นเด็กก็ไม่เชื่อยังพูดกับโยมยายบ่อยๆว่าเรื่องพระเวทสันดรโกหกโยมยายเล่า ว, ว่าหลวงพ่อช้าง ท่านไปทรงแขกที่ป่าหิมพม า, านต์ท่านเห็นสัตว์หิมพ า, านต์หลายชนิดรวมทั้งกินนอนและกินนรีด้วยตอนนั้นอาตมาไม่เชื่อหลังจากมาบวชและได้ศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์สาคัญทางพระพุทธศาสนาบวกกับการปฏิบัติกรรมฐานอาตมาถึงได้เชื่อบัดนี้อาตมา เชื่ อ, อยังไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปกินนอนกินนารีมีแน่ น, นอนในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จนครกรบิลพั์ครั้งแรกในพรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้ในวันที่สามได้เสด็จไปโปรดพระนางพิมพาเทวี ทรงแสดงจันทกินนอนชาดกโดยพิสดานโปรดพระนางพิมพาเทวีให้สางโศกจันทกินนอนชาดกเป็นเรื่องของพระองค์ครั้งเสวยพระชาติเป็นกินนอนและพระนางพิมพาเทวีเป็นกินนาีอาตมาจึงเชื่อว่าสัตว์หิมพานมีจริง ท่านไม่บอกว่าได้ใช้เห็นหนอช่วยพิสูจน์อีกทางหนึ่งด้วยโยมเสียงพูดอย่างปิติว่า <S <S ผมโชคดีมากที่ได้มาสแสวงบุญในครั้งนี้คิดว่าถ้ายังพอมีเรี่ยวแรงจะมาอินเดียทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำหนวยท่านโชคดีมากนะครับที่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิ ประโยคหลังเขาพูดกับพระมหาฉลองอัตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองโชคดีหรือว่าโชคร้ายที่ได้มาอยู่ที่นี่จะว่าไปแล้วก็คือทั้งโชคดีและโชคร้ายละคนกันรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้หลุงพ่อครับเจ้าทุกโคมันมีกรรมอะไรครับถึงได้มีอันธะใหญ่โตอย่างนี้ พระเจริญถามพระครูเจริญหลังจากที่เป็นฝ่ายฟังมานานเลยถูกพระมหาฉลองยาว่าอ้าวยังไม่จบเรื่องเจ้าทุกโขออีกหรือลุงพ่อวาเจ้านี่มีกรรมอะไรครับท่านขอคำตอบจากสมภารวัดฝ่ามะม่วงท่านคิดว่าเขามีกรรมอะไรละ่ะเท่าที่ผมทราบเขาถูกยุงกัดตรงนั้นครับ คือเมืองแขกมันแปลกหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่แปลกคือมันมียุงสองชนิดชนิดหนึ่งที่กัดเท้าแล้วจะเป็นโรคเท้าช้างยุงชนิดนี้มีอยู่ที่รัฐอัดซ้ำคนที่รัฐอัดซ้ำจึงเป็นโรคเท้าช้างกันมากเพราะถูกยุงชนิดนี้กัดส่วนที่เมืองขยาซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐพิหารก็มียุงอีกชนิดหนึ่งหากกัดที่ลูกอันทะจะทําให้เป็นโรคห้ำช้าง เจ้าทุกโขมันริดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ1213ผมห้ามมันก็ไม่ฟังพอเมามันก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยนอนตามระเบียงโบสบ้างตามเอกประตูหน้าต่างบ้างก็เลยถูกยุงกัดยุ่งเมืองแขกร้ายมากครับหลวงพ่อขนาดผมนอนในห้องมีมุ้งลวดก็ยังต้องกางมุง้งเจ้าทุกโขเล่นนอนนอกห้องไม่มีมุ้งลวดแล้วก็ไม่ได้กางมุง้ง สบายยุงสิครับผมคิดว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้าทุกโขต้องเป็นโรคห้ำช้างพระมหาฉลองเล่าถึงสาเหตุแห่งโรคของนายทุกโขที่ท่านเรียกว่าโรคห้ำช้างที่ท่านเล่ามาผมคิดว่าเป็นกรรมปัจจุบันของเขาสำหรับผมผมขอสันนิษฐานว่าในอดีตชาติ เขาจะต้องทำกรรมไว้และการที่ต้องมาเป็นเช่นนี้เพราะเศษกรรมหลักฐานที่ผมจะนำมาอ้างคือในลัคณะสังยุตนิธานวัค์สังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อ289แสแสดงไว้ว่าการไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเพราะเศษกรรม คือเมื่อเป็นมนุษย์ทำบาปหยาบช้าไว้ครั้นตายก็ไปเกิดในนรกครั้นพ้นจากนรกแล้วก็ยังไม่สิ้นบาปกรรมที่ทำมาต้องไปเกิดเป็นเปรตเสวยทุกข์ต่อไปอีกตัวอย่างเช่นเปรตตนหนึ่งมีอวัยวะรับโตเท่าหม้อน้ำขนาดใหญ่ต้องเดินแบกขึ้นคอไปหรือต้องนั่งทับ เพราะเศษกรรมที่ครั้งเป็นมนุษย์ได้ช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองเคยเป็นอมาตะผู้วินิจฉัยความรับสินบนในที่ลับแล้วสั่งให้วินิจฉัยความบิดเบือนความจริงทาให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเศษกรรมที่รับสินบนในที่ลับจึงส่งผลให้อวัยวะลับปรากฏใหญ่โต ต้องเป็นภาระในการแบกไปเท่ากับแบกความทุกทรมานเหมือนที่ทำให้คนอื่นทุกท่านพระครูอธิบายตามคำภีพระไตรปิฎกโอ้โหหลวงพ่อเก่งจังจาเล่มจําข้อในพระไตรปิฎกได้ด้วยทำให้ผมนึกถึงเจ้าคุณโชโดกซึ่งท่านได้รับสมญาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านจําเล่มข้อและหน้าได้แม่นยามาก แต่เมื่อกี้หลุงพ่อไม่ได้บอกหน้าลุงพ่อคงจำไม่ได้ใช่ไหมครับภิกษุอ่อนไวกว่าหมายลองภูมิท่านพระครูถ้าจจำไม่ผิดก็อยู่ในหน้า636ถึง661ครับผมเคยเป็นสิทธิท่านเจ้าคุณโชดกเมื่อปี2494คราวนี้ท่านต้องวานเห็นหนอช่วยตอบ โอ้โหตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาจำเป็นต้องโอ้โหเป็นครั้งที่สองท่านพระครูมองหน้านายทุกโขแล้วส่งสายตาไปมองหน้านายไกรูก็รู้ว่าสองพ่อลูกอายุไม่ยืนอีกสิบปีคนพ่อจะตายด้วยโรคชาราจริงอยู่แม้อายุไม่มากแต่ชาราก็มาปรากฏ เพราะตรากตรำกับชีวิตมากเกินไปคนพ่อตายได้สามเดือนลูกชายก็จะตายตามด้วยโรคพิสุราเรื้อรังท่านเห็นกรรมของสองพ่อลูกอย่างจำแจ้งนางสาวสายเ ย, ยรักซึ่งอายุน้อยที่สุดในคณะผู้แสวงบุญอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเป็นคนแรกจึงเดินไปยังห้องโถงเพื่อรับประทานอาหารผู้นำทัว จึงหวานให้ไปนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งสองรูปที่กำลังยืนคุยกับพระมหาฉลองอยู่กลางสนามมาฉันเช้าเมื่อล่อนเดินเข้าไปใกล้เขาถูกโยมเสงียงโบกมือห้ามอย่าเข้ามาหนูอย่าเข้ามาหญิงสาวไม่เข้าใจจึงหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นโยมเสงียงมีความปรารถนาดีไม่อยากให้หล่อนมาเห็นของดี ที่ไม่ดีของนายทุกโขนั่นต่างหาก